ราคะคือความติดนั่นที่คือความเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นนันและราคะคือความติดใจนี่มิได้หมายเพียงอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเท่านั้นแต่หมายถึงแม่อารมณ์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 ทั้งในด้านที่ไม่รักไม่พอใจเมื่อจิตติดอยู่ไม่ปล่อยก็คือว่าเป็นราคะคือความติดคือความติดใจติดใจยินดีติดใจยินร้ายก็คลุนยินดีคลุนยินร้าย อยู่นั่นแหละไม่ยอมปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตังแห่งความยินดีความยินร้ายนั้นๆดังนี้ก็เป็นราคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงนิ้นลนกัดแกวง่งอยู่ในอารมณ์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 ความเพียรคือตั้งความภาคเพียรพยายามสัมปชชานะหรือสัมปะชัญญะความรู้ตัวสติความกำหนดและ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 เมื่อมีความอดทนอยู่คือทนปฏิบัติสมมติว่านั่งปฏิบัติทมสมาธิหรือว่านั่งสวดมนต์ภาวนาหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีและยิ่งยิ่งขึ้นไป ทำอยู่บ่อยๆทาให้มากเป็นการขัดปฏิบัติที่จะดึงจิตให้น้อมมาสู่กรรมฐานสู่อารมณ์ของสมาธิคือพรากจิตออกจากอารมณ์ อันเป็นที่ตั้งของกิเลสและกิเลสที่รวมเรียกวั น, นิวอนก็ได้ให้มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิในตอนแรกที่ปฏิบัตินั้นก็จะต้องเหมือนอย่างยื้อแย่งกัน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 ตัวอารมณ์ของสมาธิบ่อยๆมากๆจิตก็จะพรากออกมาจากนิวรณ์ด้มากขึ้นและจะเริ่มได้สุขในสมาธิคือจิตจะเริ่มได้ปิติคือความอิ่มใจสุขคือความสบายกายสบายใจ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 จะแสดงอุปาราธรรมในการปฏิบัติทำกิตภาวนาคืออบรมจิตให้เป็นสมาธิและให้ได้ปัญญาอีกข้อหนึ่ง คือขันติที่แปลกันว่าความอดทนอันขันติคือความอดทนนี้เป็นธรรมะอันสำคัญที่ทุกคนจะต้องมี กิ่จะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยดีและขันติคือความอดทนที่มีพระพุท ธ, ธาธิบายไว้ทั่วไปและที่นำมาอธิบายกันอยู่โดยมาก ก็คืออดทนต่อความปรากตรำเช่นทนหนาวทนร้อนเป็นต้น อดทนต่อความลำบากอันเกิดจากทุกขเวทนาต่างๆในเวลาเจ็บป่วยอดทนต่อความเจ็บใจคือต่อถ้อยคำที่จับจ้วงลวงเกินต่างๆ การทำให้เกิดความเจ็บใจความอดทนทั้งสามนี้ก็เป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติให้มีกันอยู่โดยปกติทั่วไป เพราะทุกคนก็จะต้องพบกับหนาวร้อนเป็นต้นอันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ผาสุกต่างๆในขณะที่ต้องประกอบการงาน ต้องไปนั่นต้องไปนี่เกี่ยวกับกิจที่จะพึงทำต่างๆเป็นจะต้องฝึดให้มีความอดทนที่จะตรากตรำต่อสิ่งที่ทำให้ ไม่พาสุขเหล่านี้ได้จึงจะออกไปประกอบการงานต่างๆได้และในบางคราวก็จะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องมีความอดทนต่ตอทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้น ไม่เป็นภูที่มีใจส่อที่กล่าวมานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอดทนเกินไปกรอความรตรักรานั้นๆหรือว่า เจ็บไข้ในป่วยก็ไม่ต้องรักษาการจักรกรรมต่างๆนั้นต่อหนาวร้อนเป็นต้นก็ต้องรู้ประมาณว่าควรที่จะพึงอดทนได้เพียงไรไม่ให้เกินไป และเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษาเป็นแต่เพียงว่าไม่ทําจิตใจให้พ่ายแพ้ต่อทุกขเวทนาต่างๆโดยง่ายต้องมีใจที่อดทนด้วย เมื่ออดทนได้ก็จะทำให้ไม่กลัวต่อหนาวร้อนเป็นต้นและจะทำให้ไม่กลัวต่อทุกขเวทนาหรือต่อความรู้ว่าจะเป็นโรคภัยนั้นๆ ผู้ที่อดทนไม่ได้ก็จะไม่สามารถตรักรํมทํทำงานต่างๆแม้ที่ควรจะตรักรํมได้และไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงในความเจ็บป่วยของตน เพราะกำลังใจไม่ดีและเจ็บน้อยก็เหมือนยังเจ็บมากหรือว่าเจ็บน้อยพอจะรักษาได้อยู่แล้วเมื่อใจเสียก็ทำให้โรคกำเริบทำไม่เจ็บมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้น ความอดทนนี้จึงเป็นอุปการะสำคัญอันหนึ่งทุกคนก็จะต้องพบกับอารมณ์คือเรื่องต่างๆที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง ต้องพบกับวาจาของคนทั้งหลายที่พูดทำให้พอใจบ้างทำไม่พอใจบ้างเพราะฉะนั้นจึงจะต้องรู้จักมีความอดทนต่อถ้อยคำแม้ที่จับจวงล่วงเกินต่างๆ ให้ได้จึงจะรักษาภาวะทางจิตใจของตนตลอดจึงถึงภาวะทางกายทางวาจาของตนให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามได้แม้ว่าถ้อยคำที่สันเฉิญเรุน สันเสริญเยินยอก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันถ้าอดทนไม่ได้ก็จะพุ่งหรือแสดงอาการที่เรียกว่าขึ้นไปตามคำสันเสริญเยินยอต่างๆ แม่ที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้เสียทำให้ผิดได้จะถูกติหินนินทาก็ทำให้ครื่งเคียดทำให้จิตใจตกตำ่ำเรียกวันลล จิตใจจึงขึ้นบงังลงบงังดังนี้อยู่เสมอเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามวาจาที่ใครๆพูดดังนี้เพราะไม่มีขันติคือความอดทนถ้ามีขันติคือความอดท น, น, นได้ก็จะรักษาจิตใจ รักษากายวาจาของตนให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามได้ใครกติขินนินทาก็ไม่ออกรับไปครึ่งเครียดโกรธแค้นเจ็บใจใครเขาเสนเสริญเยินยอก็ไม่ออกรับ ไปขึ้นกระเยาทะยานหรือเหมิมเหอแต่พิจารณาดูให้รู้ความจริงถ้ากติถูกก็ควรจะขอบใจผู้ติ และปฏิบัติแก้ให้ถูกต้องถ้าข้อติไม่ถูกนินทาไม่ถูกก็ไม่รับก็าตนเองไม่ได้ไปทำอย่างที่เขานินทานั้นเขาสเสริญถ้าคนสรเสริญเกินไปก็ให้รู้ว่าเกินไปก็ไม่รับถ้าคนสรเสริญพอดีถูกต้องแม้ว่าจะรับก็รับมาเป็นการที่ให้กำลังใจ ในอันที่จะทำดียิ่งขึ้นไม่ใช่รับคำว่าเราดีพอแล้วไม่ต้องทำดีอะไรอีกหรือเพลินอยู่กับคำสันเริตของเขาไม่ทำอะไรต่อไปเสียงสรนเรินนั้นให้ถือเป็นเครื่องให้กำลังใจในอันที่จะทำดียิ่งขึ้น มันจะทำให้เกิดมาณนะดูถูกดูเมนผู้อื่นเื่าเราดีเขาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเสียงนินทาก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องเตือนสำหรับที่จะให้เหลียวใจมาพิจารณาตนเองเมื่อเขานินทาถูกก็ต้องรับว่าเขาติถูก การติของเขานั่นเป็นการให้คุณ <Okay. S 1> ไม่ใช่ให้โทษปฏิบัติแก้ไขต่อไปมันนขาติไม่ถูกก็ไม่รับที่ควรจะแก้ก็แก้ไปที่ไม่ควรจะแก้ก็นิ่งเสียตามสมควรดังนี้จึงต้องมีขันติและขันติดังที่กล่าวมานี้ ทันมีคำเรียกว่าอธิวาสนะขันติอธิวาสนะนั้นแปล ว, ว่ายับยั้งแปล ว, ว่ารับยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้ นี่คืออธิวาสนะและที่มาประกอบเข้ากับคำว่าขันติก็คือขันติที่ยับยั้งไว้ได้ที่รับไว้ได้ดังเช่นความ ทุกต่างๆเช่นหนาวร้อนหิวระหายสัมผัสสัตว์เช่นเลือบยุงลมแดดเป็นต้นเหล่านี้ ก็จะต้องมีในขณะที่จะต้องประกอบการงานหรือออกไปประกอบการงานต่างๆเมื่อยับยั้งไว้ได้รับไว้ได้คือยับยั้ง ทุกข์ทั้งปวงดังกล่าวนั้นมีให้มาเป็นเหตุทำให้ต้องขัดข้องต่อการที่จะออกไปประกอบการ่านรับไว้ได้ก็คือแม้ว่าจะต้องพบกับทุกข์เหล่านั้น ก็รับได้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวดังนี้เรียกว่าอธิวาสนะรับไปได้ยับอย่างได้ลักษณะดังที่กล่าวมานี้ สัตบุคคลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่ในโลกนี้ที่นอกจากสัตบุคคลก็เช่นต้นไม้ภูเขาเป็นตน้นก็จะต้องมีภาวะ ยับยังไม่ได้รับไม่ได้ของตนอยู่ทางนั้นจึงจึงจะดำรงอยู่ได้ยกดูอย่างเช่นต้นไม้ที่ตั้งตนขึ้นมาได้ดำรงลำต้นอยู่ได้ก็จะต้องมีกำลังอดทน ที่ยับยั้งไว้ได้รับไม่ได้ซึ่งแดดลมเป็นต้นเช่นว่าจะต้องพบกับความร้อนของแสงอาทิตย์ถ้ารับไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ต้นไม้ก็จะต้องตาย ผูกลมพัดถ้าไม่มีความเหนียวความแข็งของลำต้นพอที่จะรับลมด้านลมต้นไม้ก็ต้องหักำลำรงต้นอยู่ไม่ได้แต่เพราะต้นไม้มีกำลัง ความอดทนที่จะรับไว้ได้ยังไว้ได้ซึ่งลมแดดเป็นต้นดังกล่าวนั้นจึงไม่ตายดำรงต้นอยู่ได้บุคคลก็เหมือนกันก็จะต้องมีกำลังขันติ ที่เป็นเครื่องยับยัง้งเป็นเครื่องรับอันเป็นเครื่องต้านทานปัจจัยที่เป็นเครื่องเบียดเบียนต่างๆทงั้งทางร่างกายและท า, ทางจิตใจร่างกายจึงดำรงอยู่ได้และจิตใจนี้ก็ดำรงผาสุกอยู่ได้ ก็คือจะต้องมีขันติอันเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องยับยังง้งทุกต่างๆหรือเหตุแห่งทุกต่างๆอันเป็นเครื่องเบียดเบียนเป็นเครื่องทําลายเข่น หนาวร้อนเป็นต้นดังกล่าวสามารถที่จะตรักรับหนาวตา ก, กรรมร้อนได้ตามสมควรและจะต้องรู้จักอดทนต่อทุกขเวทนาในเมื่อเกิดเจ็บป่วยจะต้องรู้จักอดทน ต่อถ้อยคำจ่วงจากลวงเกิดหรือแม้ถ้อยคำที่ยกยอป่อปั้นเหล่านี้